อยู่ในสภาพนั้นตลอดไปเนี่ยจะมีความสุขจริงหรือเนีย่ยนะเนี่มาโอ้ยขับรถเนี่ยน่าสบายให้อาชีพขับรถเลยอ่ะไม่ต้องลงจากรถแต่อยู่บนรถบนรถนั่นนะบอกแม่ผมอยากจะพักบ้างเล็กเกินก็อย่างนั้นนะบอกอ้าไหนบอกว่าขับรถมันสบายไงล่ะที่ขับสองวันสามวันติดติดกันเข้าเนี่ยอยากจะพักผ่อนบ้างแล้วตอนแรกบอกไปขับรถพักผ่อนให้สบายเอ้มันอะไรคือความสบายกันแน่เนี่ยที่เราว่าว่ากันเนี่ยก็เลยไม่มีอะไรที่มันสบายแท้จริงเลยนะ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 กุลบดนั้นเป็นต้นก็เศร้าโศกลําบากใจรําพันเพ้อทุบอกค่ําครวญถึงความหลงไหลว่าความหมั่นของเราเป็นหมันหนอไอ้ที่ทําทุกอย่างนี่มันฟรีเนอะว่างั้นเหรนะถ้ า, ถากีฬาก็บอกฟาลเนอะว่างั้นทํามาแทบตายฟาลหมดเลยก็แปลว่าไร้คะแนนว่างั้นเรเป็นหมั่นเนอก็แบบไ ม, ไม่ไม่ออกผลเหมือนกับอะไนะคาว่าเป็นหมันมาจากเคยใครเคยเห็นเขาปลูกต้นมะละกอบางพันไหม ปลูกมาแทบตายดูแลแทั้งตายแล้วมันไม่มีลูกเลยนะสวยสวยตอนแรกนี่แหละอ๊ยฉันดีในที่สุดพอถึงวันนั้นวันที่มันจะออกลูกอนะไม่มีลูกเลยกลายเป็นมะละกอหมันเนี่ยนะในที่สุดทํำยังไงมันก็มีวิธีเดียวถอนแล้วก็ปลูกใหม่นับหนึ่งใหม่อีกเนี่ยนะนก็อยู่อย่างนั้นแหละพันก็บอกอ๊ยรำพันบนเพลทุบอกคร่ําครวญถึงความหล่นไหลว่าความหมันของเราเป็นหมันเนาะความพยายามของเราไร้ผลเนาะ มันมีทางภาคบางภาคยันภางเหนือเมื่อปีก่อนนู้นเขาก็ทําสวนลำไยที่ลำไยมันกําลังเกือบลำไยเกือบสุกแล้วอะ่ะมันแต่มันเป็นลำไยดิบที่ยังไม่สุกพายุเข้ามากิงหักโมดแล้วก็วันพิดว่าปีนี้แหละแหมจะใช่นี่เสร็จให้มันเสร็จปีนี้แหละในที่สุดนี่ก็ยังไม่ได้ใช้ลำไยก็เสียหาย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 แปลว่าทําเสร็จแล้วก็ถอนทุนคืนได้หมดเลยเนี่ยนะแล้วเพิ่มบวกด้วยกําไรโดยมากหรือขาดทุนกันโดยมากเนี่ยน ะ, น ะ, นะถ้าหากว่าทุกอย่างมันมีกําไรมันก็ไม่มีใครมีนี้มีสินอะไรดอกกันลูกความพิสูจนทั้งหลายถ้ากลุ่มบทนั้นมันเพียรพยายามอยู่โภคสมบัติเจริญขึ้นโอ้สมมติทำแล้วประสบความสําเร็จเจริญอย่างเดียวกลุ่มบทนั้นก็ได้เสวยทุกอันใหม่ทุกพิเศษขึ้น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 คิดประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งให้คนมีสายตาไกลหน่อยปราณนั้นนะให้มีตาสาดวงนะตาตาหเห็นโลกนี้ตาที่2เห็นโลกหน้าหลายๆโลกตาที่3ก็เห็นอนะริยสัจให้มันใช้ทีสามตาเนะี่ยมันจะสำเร็จประโยชน์แต่ถ้าไม่มีตาสามตาเมื่อไหร่ก็ตา2ชั้นก็ลําบากแล้วล่ะและว้วสายตาเริ่มสั้นนะ หรือบางทีเนี่ยนะว่าสแสวงหาให้มีโภคท้ัพย์เหล่านั้นสแสวงหาได้มาแล้วก็ทรัพย์เหล่านั้นเยอะแต่ก็ทุกเพราะมีเพราะอะไรเพราะการรักษาโภกขสมบัติคิดว่าด้วยอุบายอย่างไรเนาะพวขสมบัติของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปเนี่ยนะถูกไหมทำยังไงเนาจะไม่ต้องถูกยึดเป็นต้นเนี่ยนะทำไมนี่ก็ยึดทรัพย์สินะมันก่อนบอกโอ้ยึดมาแล้วสามพันกั้านก็แสดงว่าโอถูกยึดตั้งสามพันกัล้านก็ไม่ใช่ธรรมดา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 ถูกลักโจรลักเอาไปถูกไฟไหม้น้ำท่วมทายาทอันไม่เป็นที่รักโขนเอาไปเนี่ยนะนะว่าลูกปลอมเอาไปเล่นการพานาันสเกเลี้ยงเหมือนตดิเรนะียกว่าเนี่ยปลอมลายเส้นของพ่อก็เลยเอาไปเข้าขึ้นแบงแล้วก็เอาไปผลักสมดังนะั้นกุลบุตรนั้นสศกระเศร้าโศกเสียใจหลงไหลว่าความหมัน่นความพยายามของเราเนี่ยเป็นหมันหนอ ทรัพย์อันใดที่เรามีอยู่ทรัพย์อันนั้นก็หมดไปแล้วเนาะเขาเรียกว่าคนเคยมีอะไรนะเคยเห็นไหมร้านอาหารคนเคยรวยพวกนั้นเขียนไปไ้ายว่าคนเคยรวยบงังเคยอะไรบังก็เขียนป้ายกันเลยป้ายเนี่ยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี้ก็โทษแห่งการแม้นี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกมีการเป็นเหตุมีการเป็นนิทานมีการเป็นอธิกรเป็นเหตุแห่งการทั้งหลายเพราะวัตถุที่เราว่ามันดีๆน่าปรารถนาะ นั่นนะนั่งรถผ่านภาคเหนือเนี่ยนะโอ้ยประกาศขายรีสอร์ตเต้ดูหมดเลยนะติดป้ายข้างหน้ารีสอร์ตเนี่ยนะตอนนั้นเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยโอ้ยติดป้ายขายรีสอร์ตอนะไแล้วเพาใครจะไปพักใช่ไหมบ้านอยู่กลางพุ่มกลางดอนโอประกาศขายกันเยอะจริงๆเนี่ยนะเจ้าของจะเศร้าใจขนาดนนไหนกว่าจะสร้างได้ไม่ใช่สนุกสนุกนะนะสร้างบ้านตามป่าตามเขาไม่ใช่จะหมูหมูนะไม่หมูหรอกนะ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 แผงร้างข้างทางเต็มไปหมดเลยน ะ, น ะ, นะก็คือมันเดือดร้อนกันขึ้นอะไรกันขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยมีมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยนะก็มาได้ น, นั่งเศร้านั่งซึมอยู่นั่นแหละทีนี้ไอ้ถึงมีอีกถ้ามีเท่าเดิมมันก็ไม่อิ่มใจแล้วมันต้องมีมากกว่าเดิมแปลกนะในโลกของวัตถุ ก, การมมันต้องเหมือนยาเสพติด ท, ที่ต้องอัดฉีดเพิ่มขึ้น เ, เพิ่มขึ้นตอนแรกมีเท่านี้พอแล้วเนี่ยนะทําท่าเหมือนจะพอเนี่ยนะพอไปถึงวันนั้นเกือบขยายเรียบร้อยละ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 ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันมันตันหามันไม่มีคําว่าลดมีปริมาณคําว่าลดคําว่าหย่อนมันมีแต่กระหายกว่าเขมือบแผ่นดินทั้งแผ่นดินเขมือบทะเลท้องทะเลเขมือบโลกทั้งโลกนี่นะถ้ามันเขมือบจั ก, กรวาลนั่มันคงเอาหมดอะ่ะกจักรวาลของเราไงกลืนนายเบ็ดเสร็จนะก็เราว่าความกลืนด้วยอำนาจตันหาท้ายที่สุดในกลืนมันก็กลืนอะไรดีๆเนี่ยนะอะไรอะไรอะไรอะไรก็ของเราและสิ่งที่มีปัญหาทั้งหมดเป็นของเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะ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 มีแต่ความรับผิดมีแต่ความรับผิดไอรับชอบไม่ค่อยจะเห็นเลยอย่างเง้ยนะถ้ายัางไงก็เดือดร้อนแหะชีวิตออชีวิตนอเกิดมาทําไมน้อทำไมมิมีแต่โศกนําหน้าโศกเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะทท่านน่าจะสบายขึ้นหวังหวังไว้ลึกๆ ก, กว่าน่าจะสบายแต่ก็สาธุขอให้สบายจริงๆเถอทําไม่สบายด้วยสมถาวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนะท่าจะยากเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นก็กไอที่ทำนี่เราก็ต้องไม่ลืมนะว่าการสแสวงหาธรรมมาเลี้ยงชีพ แต่ชีพนี้มันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่นาะมันก็ต้องเผื่อชีพใหม่ๆด้วยเนี่ยนะเผื่อพบเผื่ออะไรนะเผื่อไว้ใช้ชาติหน้าบ้างหาใช้ชาตินี้อย่าลืมไว้ใช้ชาติหน้าบ้างนะเนี่ยนะยังไงอย่าลืมไว้ใช้ชาติหน้าถ้ามันชาติเดียวของมาก็ไม่อะไม่น่าหนักใจอ่ะถ้าชาติหน้าอีกแค่ชาติเดียวนั้นไม่น่าหนักใจพระสุราบันท่านบอกว่าตั้ง7ชาติแล้วของเราเป็นใครเนาะเนี่ยนะบาหน้าจะเกิน7ชาติถ้ามันเกิน7ชาตินี่ละหาใช้ยังไงอ่ะเนี่ยนะก็ต้องคิดให้มันดีๆก็แล้วกัน สิ่งที่หาหาถ้าเกิดทุ่มเทจนจ น, จนเรียกบางอย่างก็จะแทบไม่เหลืออะไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึง่งพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์กับวิวาดพระราชาวิวาทกับพระราชาเนี่ยทหารตายเรียบกษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์เนี่ยนะคือพระราชากับกษัตริย์ต่างกัน น, นะก็คือกลุ่มเจ้าทั้งหลายทะเลาะกัน น, นะพราม์วิวาดกับพราหมขึ้นหับดีวิวาทกับขฤหับดีมารดาวิวาทกับบุตรบุตรวิวาทกับมารดาบิดาวิวาดกับบุตรบุตรวิวาทกับ บิดาพี่น้องชายวิวาสกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็วิวาสกับพี่น้องชายสหายก็วิวาทกับสหายมีเพราะอะไรก็มีเพออราะผลประโยชน์นะสมัยไหนก็ใช้คำว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์อันนั้นเน่ยภาษาธรรมะเรียกว่ากรรมเพราะมีการมเป็นเหตุมีการมเมญนิทานมีการมเป็นอธิกรเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายนั่นและชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ทะเลาะวิวาทกันเพร า, า, าะเหตุแห่งการมก็ต้องประหัดประหารกันด้วยฟ้ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศาตรา นะถึงตายบ้างทุกต่างตายบ้างเพราะการประหารนั้นนะวิวาทการเนี่บางทีเรียกว่าหนักถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยนะเดูความพิสูจนทั้งหลายโทษแห่งกรรมแม้นี้เห็นการได้เองเป็นกองทุกมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นนิทานมีการมเป็นอธิกรเป็นเหตุแห่งการมทั้งหลายนั่นเองดูความพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งคนทั้งหลายถือเอาดาบและโล่จับธนูสอดใสยแล้งแล้ว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 ในบรรดาสงครามที่มันตายมากเนี่ยนะไอ้เครื่องบินเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยตายมากตายเกลื่อนตายเยอะมากๆเลยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งอะไรเนี่ยนะไอ้เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยโอ้โหมันเลวร้ายจริงๆเลยนะเรียกว่าฝนอาวุธเป็นต้นเนี่ยก็ตกมาใส่ตายกันเยอะแยนะถ้าใครว่างๆเนี่ยพยายามศึกษาประวัติศาสตร์โลกบ้างศึกษาแผ่นดินทุกพื้นแผ่นดินนี่แหละว่ามันเคยผ่านศึกสงครามอะไรมาบ้างนะนะ บ้านเมืองแต่และบ้านเมืองเนี่ยผ่านศึกสงครามอะไรบ้างลูกล้านมาร่ายรำเนี่ยบางทีนะถ้าพิจารณาให้ดีๆก็ร่ายรำอยู่บนหลุมฝังศพนะั่นแหละเนี่ยนะร่ายรำอยู่บนเปื้อนคราบเลือดคราบเนื้อคราบน้ําตาและต่อไปสถานที่ตรงนั้นก็จะเป็นคราบเนื้อคราบเลือดคราบน้ําตาอีกต่อไปนั่นะแหละบางทีทําเป็นรํำพล่นเนี่ยนะที่จริงที่ไหนได้เนี่ยรำมนอะไรและต่อไปสถานที่ตัวเองร่ายรำคืออะไร พิจารณาแต่ว่าถ้าคิดไกลๆหน่อยาโอยถ้าคิดมากขนาดนั้นแล้วชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงท่านานี้แหละ ว, วิธีคิดหาทำยังไงจะได้สุขที่มันไม่ต้องทนด้วยทุกข์นะนะ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 ดีแท้ดีว่าเนี่ยนะดีจริงๆเลยที่ได้บรรลุสุขเนาะว่ามีแต่เขาพูดกันอย่างนี้แม่รู้อย่างนี้น่าจะไมได้บรรลุตั้งนานแล้วเขาก็พูดกันอย่างงี้ทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้เสียอกเสียใจเสียดายอะไรอาวนอะไรรอกเลยนะเนพราะการทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้นการเกิดสงครามตายคาสงครามบ้างพูดต่างตายบ้าง ดูก่อนพิสูจทั้งหลายโทษแห่งกามนี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกมีการเป็นเหตุมีการเป็นนิทานมีการเป็นอธิกรเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นเองอีกประการหนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายมีการถือดาบและโลดจับธนูใส่แล่งแล้วก็สู่ป้อมอันมีปูนเป็นเครื่องฉาบทาบ้างเรียกว่าสงครามข้างป้อมเนี่นะเมื่อคนทั้งหลายหลายฝ่ายยิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอกฟันดาบ คนเหล <PTSD> <griff Buddhist S 1> ่านั้นถูกยิงด้วยลูกศรถูกพุ่งด้วยหอกรถด้วยโคไมที่น่าเกลียดทับทับด้วยฟ้าทับเหิวกระว่าอยู่ข so, ้าง well, ล่างยิ <un term out> ่งไปข้างล่างก็ตกอะไรตกใส่ตุ้มมาตายทีเดียวเลยตัดศีรษะกันด้วยดาบในสงครามเป็นเหตุบ้างหรืออีกในหนึ่งก็แบบอะไรนะแบบเวลาสงครามนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้มน้ํามันไม่เลยอีกฝ่ายหนึ่งก็มาก็ราดน้ํามันเลยนะต้มน้ําร้อนแล้วก็ราดต้มน้ําร้อนแล้วก็ราดเนี่ยเวลาปีนกําแพงเนี่ยนะครับก็มีกัน ต้มน้ำร้อนบังราดบ้างอาวุธก้อนหินเทลงมาตาเยะๆในสงครามก็ทะเลาะกันเหล่านั้นก็ศึกชิงกามนั่นแหละนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งโจรที่ตัดที่ตอบปล้นเรือนทุกหลังหรือว่าพวกโจรที่ปล้นเรือนหลังเดียว ด, ดักตีชิงทางเปรี่ยวคบชู่สู่ชายอื่นมีการเป็นเหตุมีการเป็นนิทอนมีการเป็นอธิกร เพราะเหตุแห่งตามทั้งหลายนั่นเองพวกรา ช, ชบุตรจับโจรคนเหล่านั้นแล้วก็ถูกลงโทษเนี่ยนะเรียกว่าเรียกว่าเจ้าหน้าที่ราชทรรมนะที่ลงโทษเนี่ยมีประมาณสองหมื่นคนถามว่าแล้วพวกนักโทษนี่จะมีเท่าไหร่ดีขนาดผู้คุมนี่มีสอง0 0ื่นนคนที่ถูกคุมนี่ควรจะเท่าไหร่ดีน้อเนี่ยนะมันก็ถูกลงกรรมกรโดยประการต่างๆเนี่ยนะแต่สมัยก่อนเนี่ยยิ่งเฮี้ยมกว่า น, นี้เยอะถูกเคียนด้วยแส้เคี่ยนด้วยไวย้ตีด้วยไม้พลองตัดมือ ก็มีมันมีอะไรนะที่แบบเอามีดตกมาใส่ข้อขาดเลยนะี่เรียกอะไรนะอะไรนะนั่นแหละนั่นแหละตลกขอขาดเช็เหมือนกับตัดมะพร้าวจากขั้วน่ะปับป๊บปับ๊เลือดพุ่งกระชูดเนี่ยนะมันก็นั่นก็เพราะโทษแห่งกรรมทั้งหลายมีกรรมเป็นเหตุ น, นั่นแหละนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายชนทั้งหลายก็ทําความชั่วด้วยกายทําความชั่วด้วยวาจาทําความชั่วด้วยใจ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 พิจารณาอย่างละเอียดละออรอบคอบถี่ถ้วนนั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะคิดว่าโทษของการมมันมีอะไรบ้างนะใครที่มีความรอบรู้เข้าใจมองได้อย่างตลอดสายและปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายานะก็พิจารณาอย่างนี้จะทําให้เบื่อหน่ายในวัฏฏะขึ้นไหมเราพิจารณา น, นั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาเบื่อหน่ายไม่ใช่ตัวเองมีโทสะนะแต่เบื่อด้วยปัญญาแต่ปีติเจริญขึ้นเจริญขึ้น เพราะเบื่อหน่ายในวัฏะเท่าไหรใจก็น้อมไปหาความสุขที่ปราศจากโทษเท่านั้นเห็นภัยในวัฏะเท่าใดาใจก็น้อมไปหาพระนิพพานเท่านั้นน้อมไปหาอาสังขตะธรรมเท่านั้นน้อมไปหาธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ธรรมเป็นที่ดับทุกข์เท่านั้นนั้นอย่างที่พระประเจศพุทธเจ้าองค์นี้พระองค์ตรัสไปว่าการทั้งหลายอันวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมย์ใจย่อมย่ำ ย, ย, ย, ยีจิต ด้วยอารมณ์มีชนิดต่างๆบุคคลเห็นโทษในการมกุลทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกนั่นเอเดี๋ยวพักซักก่อนนะรัะ